นะครับโลกสูตรในข้อ263กุตการที่กายยติวุตกะนะครับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลสมจำพวกนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลสามจำพวกเป็นไนดูกรพิสูนทั้งหลายพระตถ า, าคตสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม พระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูความพิสูจนทั้งหลายบุคคลที่หนึ่งนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าพระถาคตก็พ่อเสด็จมาอย่างนั้นพ่อเสด็จไปอย่างนั้นนะครับเพราะมาถึงพยานอันทองแท้เป็นต้นนะครับพระองค์นี้อุบัติขึ้นมาในโลกเป็นพารอหารเพราะกลายจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนากำจัดข้าสึกคือกิเลสหักสีก ร, รมแห่งสังสารจักรนะครับเป็นผู้ควรแก่ เครื่องสักการะมีปัจจัยเป็นต้นเป็นผู้ที่ไม่มีบาปในที่รับไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคือตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งนะครับธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะครับ แลพระ อ, องค์ก็ยังรู้ยิ่งวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธทุกขานิโรธาคาม่มีปฏิปทานะครับการประมวลพิจารณาเห็นอริยสัจ ท, ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจทางรูปเสียงกลิน่นรสผลภัพฑ์และธรรมารมณ์ทางวิญญาณหกภาษา6เวทนาหเป็นต้นนะครับทั้งทั้งหมดน่นนะสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์นี้ตรัสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองนะครับซึ่งสัพพัญญุตญาณอนนาวรณญายา น, นะครับ และพระองค์ก็ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะวิชาที่พระองค์ทรงมีอยู่ก็ประกอบด้วยวิปัสนาญาณทั้งหลายนะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีมโนมยิทธิญาณ น, นะครับสามารถเนรมิต ร, รูปอื่นนะครับเป็นพันพันรูปขึ้นอีกก็ได้พระองค์ก็ยังมีอิทธิวิธีนะครับสามารถแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆได้พระองค์รู้วาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับพระองค์ ม, มีตาทิพย์พระองค์มีหูทิพย์ พระองค์ละเล็กชาติได้เป็นอันมากพระองค์รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายและพระองค์ก็สามารถทําอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปนะครับนี้เป็นวิชาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังมีจารณะคือประกอบไปด้วยศีลสังวรพระองค์นี้มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีโภชเนมตันยุตาพระองค์มีชาคริยานุโยกนะครับพระองค์มีศรัทธามีวิริยะมีสตินะครับมีหิริโอตตะมีสุตะมีปัญญา แล้วก็มีปฐมฌาน ท, ท, าาตาทาาุติยฌานตัติยฌานจตุทฌานเป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าจรณะของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนะครับคือเสด็จไปสู่อมตะมหานิพพานเสด็จไปด้วยอริยมรรคนะครับไม่กลับมาหากิเลสที่ทรงละแล้วกิเลสที่ทรงละด้วยโสดาปฏิมรรคกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวนย้อนกลับมาอีกกิเลสที่ละด้วยสกทาคามิมรรคกิเลสเหล่านั้นก็ไม่หวนย้อนกลับมาอีก กิเลสที่ทรงละด้วยอนนาคามิมักกิเลสเหล่านั้นก็ไม่หวนย้อนกลับมาอีกนะคะกิเลสที่พระองค์ทรงละด้วยอรหัตมรักกิเลสทั้งหลายก็ไม่ทรงย้อนนะกิเลสเหล่านั้นไม่ย้อนเข้ามาหาในจิตใจของพระองค์อีกทัานพระองค์นี้ไปโดยการละกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาหากิเลสอีกแล้วพระองค์นั้นไม่เป็นผู้ปฏิบัติโดยอัตกกิลามทานุโยคแล้วก็ไม่ไปโดยการมัศุขาลิการุโยค เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออรายาิยมรรคดังที่กล่าวไปแล้วพระองค์ก็ไม่พิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นของเที่ยงะนะคือสังขารทั่วไปโดยความเป็นของเที่ยงนะครับที่เรียกว่าเป็นสัสตตตทิทิธิหรือก็ไม่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนี่ศูนย์โดยอุเฉททิธิอันพระองค์ปรับพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหมดโดยรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะครับตามหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น แล้วพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆนะคบอันนี้คือสุขโตของพระองค์และในขณะเดียวกันสุขโตเพราะทรงมีวาจาที่จริงมีวาจาที่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับทีนี้พระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะครับถามว่าโลกไหนก็คือพระองค์รู้แจ้งโลกด้วย ตีระนาปริญญาทรงก้าวข้ามโลกสมุทัยด้วยปหานะปริญญาทรงทําให้แจ้งโลกนิโรธด้วยนะครับสัจจิกิริยาแล้วก็ทรงทําให้แจ้งโลกนิโรทคามินีปฏิปทาด้วยภาวนาทีนี้พ่อผมก็ยังรู้แจ้งสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกนะครับในบรรดาสังขารโลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกหนึ่งสเพสัตาหารติติกาโลกสองนามรูปนะครับ โลก3เวทนา3มโลก4อาหาร4ี่โลก5อุปาทานขันหโลก6อายตนาภายใน6โลก7วิญญาณทิ่ิเจโลก8โลกธรรม8โลก9คือสัตววาด9โลก10อายตนา10โลก12องายตนา12โลก18ท่ธาตุนะครับสมบัติโลกวิบัติโลกนะครับ พองศ์นนะก็พิจารณาโลกคือขันธ์อริยตนะทั้งหลายเหล่านี้โดยโลกโล ก, โลกสมู ท, ทยัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งไปเองก็เช่นสัพเพสตาหารทิติกาสมู ท, ทยัยนิโรธมรรคก็แทงตลอดหมดนะครับนามรูปนามรูปสมูทัยนิโรธมรรคก็แทงตลอดหมดเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือแมก้กระทั่งโอกาสโลกนะครับคือ พวกแผ่นดินจักรวาลทั้งหลายแหล่เป็นต้นทั้งหมดนะครับเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องขวางทั้งหมดถ้าเรามองไปข้างหน้ามีหมู่ดาวมีอะไรทั้งหลายแหลนี่นะครับมีอะไรอยู่ในนั้นในนั้นเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโลกวิถูพระองค์ทรงรู้แจ้งโอกา ส, สลโลกเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับตอนเรามองเห็นอะไรทั้งหลายแหลลึกซุ้ลึกตื้นหนาบางมองเห็นทะเลมองเห็นแผ่นดินมองเห็นไปในท้องฟ้านะครับมองไปในอากาศเห็นหมู่ดาวพระองค์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นหมดนะครับ แล้วก็เห็นเกินกว่าที่เราเห็นด้วยนะครับพระองค์นั้นก็รู้ถึงอัธยาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายผูมย้มีอัธยาศัยเลวมีอัธยาศัยดีผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากนะครับผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอ e ินทรีย์แก่กล้าผู้มีอาการดีผู้มีอาการชั่วผู้สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากนะครับเป็นพวกพภาพ菩萨เป็นพวกอภภาพ菩萨นะครับ พระ อ, องค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนะครับว่าสัตว์เหล่านี้มีอัธยาศัยอย่างไรจริตสะสมอะไรมาบ้างนะครับพระ อ, องค์ก็ยังรู้แทงตลอดสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นโลกวิถูของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมนี่นะครับคือพระ อ, องค์ทรงฝึกบุรุษนี่นะครับ บุรุษบางคนพระองค์ก็ฝึกให้ได้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิพนสกาทาคามีมัติสกาทาคามีผลบางค น, ai, นาคาก็ได้อนาคามีมัติอนาคามีผลพระองค์ฝึกบางคน day, าาก็ได้อรหตาาัตมัติอรหัตผลแม้กระทั่งฝึกโจรองค์คุลิมานนะครับฝึกสัพพะสัตถ์ทั้งหลายเนี่ยนะฝึกบุรุษนั้นไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวแม้แต่ผู้หญิงทั้งหลายพระองค์ก็ฝึกให้ได้บรรลุมัติผลแม้กระทั่งบ้าเหมือนานางปตาจาราเป็นต้นนะคะรั g g dai, บพระองค์ก็ฝึกได้สําเร็จฝึก นะครับแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์เีรัจฉานพระองค์ก็ฝึกให้ถึงไตรสรณคมนะครับแม้กระทั่งฝึกเพื่อบรรลุในภพต่อๆไปพระองค์ก็ยังทรงทําอีกนะครับทรงฝึกมันดูกะเทพบุตรอย่างเงี้ยนะครับทรงฝึกอย่างฉัตตัมานพเนนะครับฝึกสอนให้ถึงไตรสระนาคมในโลกนี้ก่อนเอาเดี๋ยวโลกหน้านะเขาจะได้มาฟังธรรมนะครับแม้กระทั่งฝึก ธนะพวกช้างทั้งหลายเนี่ยนะหรือมัตตกุลเลีเทพบุตรนะครับพระองค์ก็ฝึกไว้ทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้กระบวนการฝึกของพระองค์นี้ในชั้นต้นอาจจะให้เห็นหน้าก่อนนะคะตอนหลังก็แสดงธรรมให้เขาฟังหรือว่าเป็นอุปนิสัยเป็นส่วนแห่งวาสนาแก่เขาต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ใดๆที่จะพึงมมีแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการฝึกพระองค์ก็ฝึกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้วิธีฝึกของพระองค์บางอย่างพระองค์ก็ฝึกแบบ รุนแรงนะครับคือแสดงทูจริตและโทษของทูจริตบางทีก็ฝึกอ่อนละมุนละไมคือแสดงสูตจริตและผลของสุจริตบางทีก็แสดงคละเคล้ากันนะครับทั้งสูจริตและทูจริตอย่างเหมือนกับภาละบัณฑิตสูตรแสดงทั้งคนพานและบัณฑิตว่าคติเบื้องหน้าอภิสามปรายภพของภาระบัณฑิตเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับแล้วพระ อ, องค์ก็บางถ้าสัตว์ไม่คู่ควรต่อการฝึกพระ อ, องค์ก็วางเฉยซะนะครับ แต่ว่าผู้ที่ควรฝึกนั้นพระองค์ได้ฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับพุทธกิจเหล่านี้พระองค์ทรงประพฤติโดยที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยอํานาจของศีลนะครับมือสมาธิหรือปัญญาหรือวิมุตติหรือวิมุตติญาณนัทธสนะหรือคุณธรรมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครยิ่งกว่าพราะองค์อย่างยิ่งก็เท่ากันเท่านั้นเองคือเพราะพระองค์นี้เท่า ก, กันกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะครับ พระองค์ก็เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสอนประโยชน์ในโลกนี้แก่เทวดาทั้งหลาย น, นะแก่เทวดาและมนุษย์สอนประโยชน์ในโลกหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานนะครับแล้วพระองค์นี้ก็พาสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าศาสธาก็เหมือนกับนายผู้นายพว ก, ก น, นะหัวหน้าพวกอะ่ะที่พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากกันดานหรือข้ามพ้นจากภัยคือชาติภยัยชาราภายัยมรณะภยัย สโสกาปริเทวภัยเป็นต้นนะครับภัยมีการติเตียนตนภัยที่ผู้อื่นติเตียนพระองค์ก็ฝึกให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยข้ามพ้นจากภัยทั้งหมดนะครับแม้ที่สุดภัยคือวัตตะสงสารพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบานแล้วนะครับด้วยเบิกบานด้วยสัพพัญญุตยานเบิกบานด้วยอนาวรณญาณเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วพระองค์ก็เป็นผู้แจกแจงพระธรรมรัตนะธรรมรัตนะที่พระองค์ทรงแจกแจงก็คือแจกแจงพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรม ในบรรดาพระวินยัยพระองค์ก็แจกแจงให้เห็นละเอียดว่าเออนี่นะล่วงละเมิดขนาดนี้เรียกว่าปราชิกล่วงละเมิดขนาดนี้เรียกว่าสังฆธิเศสนะครับปราชิกก็แก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเช่นสุขาลิเศไปถ้าหากว่าเป็นสังฆธิเศตก็อยู่ปริวาสถ้าเป็นอ ბ ัตทุรจัยก็แสดงคืนนะ ถ้าเป็นนิสกีก็ข้าวของอันนั้นต้องเอาไปสละนะครับถ้าเป็นปาจิติก็แสดงคืนในสำนักของสงฆ์หรือบุคคลหรือว่าเออนี้ปาฏิเทศนิยะนี้ทุกกฎนะนี้ทุกภาสิตนะนนะผมก็ยังจำแนกว่าเออเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะต้องประพฤติวัดแบบนี้จะต้องปฏิบัติแบบนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในมาตว่าเล็กน้อยนะครับตั้งใจมั่นสมาทานประพฤติปฏิบัติในศีกขาทั้งหลายนะผมก็ยังจำแนกนะครับเป็นคัมภีร์ต่างๆเช่น เรียกว่าคัมพีอธิกรรมิกะนะครับคำพีปา จ, จิตตีคัมภีมหาวัคคำพีจุลวัคและก็คัมภีปริวานนะครับรวมรเป็ดเสร็จก็ 21,000 พระธรรมมขันนะครับแล้วก็ยังมีพิคุวิพังภิคุณีวิพังแล้วอุปโตวิพังก็ได้นะครับแล้วก็ยังจําแนกแจกแจงให้เห็นละเอียดแม้กระทั่งขันทกะวาททั้งหลายแล้วก็พระองค์ก็ยังจําแนกแจกแจงพระสูตรทั้งหลายนะครับตามอัธยาศัยของเวนยสัตทั้งหลาย พระสูตรที่พระ อ, องค์ทรงจำแนกแจกแจงตามอัธยาศัยของเวนัยศาสตร์เช่นอัธยาศัยของเวนัยศาสตร์ที่จะต้องแสดงจำแนกแจกแจงอย่างพิสดารก็เหมือนกับทีคณิกายนะครับทีคณิกายนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ต้องขึ้นเบื้องต้นด้วยศีลเป็นต้นนะครับพระ อ, องค์ก็แสดงศีลเป็นต้นก่อนอันนี้เรียกว่าศีลขันธวัคหรือบางทีก็แสดงแบบยาวๆพิสดารลักษณะของมหาวัค หรือบางทีก็แสดงประมวลหมวดธรรมเป็นต้นแบบปาติกวรักนะครับหรือพระองค์ก็ยังแสดงบางคนที่ชอบอัธยาศัยในธรรมะปานกลางนะครับซึ่งอัธยาศัยของเวนยศัสตร์หลากหลายพระองค์ก็แสดงว่าเออนี่นะมัชชิมนิกายนะครับลักษณะสูตรลักษณะนี้นะครับเช่นในมัชชิมนิกาย15ึ้าสบสสูตรนะครับประกอบไปด้วยมูลปริยยสูตรเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็มัชชิมนิก า, กายก็ยังแบ่งเป็นหมวดเป็นกลุ่มนะครับที่เรียกว่า มูลปัญนาตมชิมปัญนาตแล้วก็อุปริปัญนาตแจกแจงตามอัธยาศัยของวินัยสัตต์อัธยาศัยของวินัยสัตต์มีติดข้องในเรื่องขันพระ อ, องค์ก็แจกขันเรื่องอายตนะหรือเรื่องตรมบทเป็นต้นพระองค์ก็แสดงตามสมควรแก่อายะของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะความที่พระ อ, องค์เป็นสัพพันญูหรือแม้กระทั่งอัธยาศัยที่ชอบสัตว์ที่ ชอบสูตรไม่ยาวนักไม่พิสดานนักเป็นตนพระองค์ก็แสดงในลักษณะของสังยุตติกายทีนี้ในสังยุตติกายก็ตามอัธยาศัยอัธยาศัยพวกที่กลุ่มชอบปัจจัยชอบเหตุชอบผลชอบธรรมะเป็นไปตามปัจจัยนี่นะครับพระองค์ก็แสดงนิทานวัตรนะครับหรือว่าที่เป็นเทวดานะครับที่มาไต่ถามปัญหาทั้งหลายแหล แก่พระองค์พระองค์ก็แสดงนะครับเรียกว่าสขาตวัคนะที่ตอบปัญหาของเหล่าเทวดาเป็นต้นนั่นเองนะครับแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าประสเดนที่โกศลนะครับพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งพญามาทั้งหลายนะครับมีปัญหามีข้อข้องใจพระองค์ก็แสดงพระองค์ก็ตรัสตามสมควรแก่อัธยาสัยของสัตว์นั้นๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีอัธยาสายัยติดพันติดข้องในขันพระองค์ก็แสดงธรรมะเหล่านั้นโดยความเป็นขัน ถ้าหากว่าสาัตว์บางพวกติดข้องโดยอายตนะพระองค์ก็แสดงโดยอายตนะถ้าโดยขันก็เรียกว่าขันทวรวักถ้าพวกอายตนะหรือติดเวทนาพระองค์ก็แสดงว่าสลายตนะวักนะครับแล้วก็ยังแสดงเป็นนี้เป็นสังคตะนะนี้เป็นทางแห่งอาสังคตะหรือแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับผู้ติดขอ้องธรรมะที่เป็นเรกวโพธิปัจจยธรรม ที่ฝักฝ่ายในการเจริญโพธิปักขิยธรรมพระอผมก็ทรงแสดงว่าเออนี้นะมัคสังยุตโพชงสังยุตเป็นต้นนะครับหรือว่าผู้ที่อัธยาศัยในโสตาปฏิยังคพระองค์ก็แสดงนะครับโสดาปฏิสังยุตนะครับหรือแม้กระทั่งสัจจะสังยุตนะครับผมก็แสดงตามอนุภาคของอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยที่ชอบอะไรนะครับชอบนับนะอะไรก็ต้องหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับ ชอบนับหนึ่งอ่พระองค์ก็แสดงแบบหนึ่งนะเรียกเอกานิบาตเรียอังคุตรานิกายถ้าคนชอบอัธยาศาัยแบบสองพระองค์ก็แสดงหมวดสองเรียกว่าทุกานิบาตอังคุตรานิยถ้าอะไรชอบนับสก็เอาแสดงติกานิบาตคนที่ชอบหลักธรรมหมวด4พระองค์ก็แสดงจตุการณิบาตคนที่ชอบหมวด5พระองค์ก็แสดงปัญจาการณิบาตคนที่ชอบหมวด6พระองค์ก็แสดงฉักกานิบาตคนที่ชอบเลข7นะคะอะไรก็7ไว้ก่อนอย่างเงี้ยพระองค์ก็แสดง สัตการณิบาตพวกที่ชอบ8ก็แสดงอัธการณิบาตพวกที่ชอบ9พระองค์ก็แสดงนวการณิบาตพวกที่ชอบอะไรเป็น10นะครับก็แสดงทศการณิบาตพวกที่ชอบ11ก็เป็นเอกาทัศการณิบาตมันก็แสดงอังคุตรนิกาย9557สูตรนะครับพระองค์ก็แสดงให้เป็นไปกับทายาสัยของสัตว์นั้นๆ น, น, นะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าพวกที่ชอบในส่วนอื่นๆที่ไม่เป็นไปกับนิกาย5ห้าค์ก็แสดงธรรมะเป็นคุตตะปาธานะครับเป็นอุทานเป็นคาถาธรรมบทนะครับแล้วก็เป็นเทรคาถาเป็นเทรีคาถาเป็นเปรตวัตถุวิมานัตถุนะครับเป็นนิเทศนะครับเป็นอัปทานทั้งหลายนะพระองค์ก็แสดงถึงธรรมะเหล่านั้นให้เห็นชัดแม้กระทั่งคัมภีร์พุทธวงศ์คำพีจริยาปิดกคัมภีร์ชาดกทั้งหลายนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายผู้ที่มีอัธยาศัยชอบจำแนกพิสดารถึงว่าเออสภาวะธรรมนี้เป็นยังไงความเป็นไปของสภาวะธรรมทั้งหมดพระองค์ก็ประมวลมาแสดงให้เห็นโดยลักษณะของธรรมสังคีนีหรือจำแนกแจกแจงธรรมสังคีนีโดยให้เห็นชัดในรูปแบบของการปฏิบัติก็แสดงออกมาในคำภีวิพังนะครับหรือใครที่ชอบอประมวลนะครับสังคหะนะครับ ขันธาตอายตนะมาสังขหะก็เป็นธาตุธาตุสังขะนะครับหรือกัมพีธาตุกถานั่นเองนะครับสังขโหอาสังขโหนี่นะครับหรือถ้าหากว่าใครชอบ อ, อ, อยากให้ประมวลว่าเออธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลได้อย่างไรนะครับพระองค์ก็แสดงเป็นบุคคลบัญญัติหรือถ้าหากว่าแก้ปัญหาข้อขัอขดแยง้งเป็นต้นพระองค์ก็แสดงลักษณะคมพีกถาว่าถูนะครับถ้าใครชอบเป็นคู่คคก็แสดงยมกะนะครับ แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยที่เป็นอนันตนายพระองค์ก็แสดงมหาประฐานเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ที่พระองค์ทรงจำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเหล่านี้โปรยปลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับนะครับนั้นคําสอนของพระองค์ที่แสดงโปรยนั้นแต่แตละคําแต่ละถ้ายคํามีค่าประดุจเพชรนะคะถ้าว่าเพชรแล้วไม่สามารถช่วยให้สัตว์ พ, พ้นทุกข์ได้แต่ว่าพระธรรมคาสอนเป็นเนื้อเหมือนกับน้ําอมตะนะครับเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ดื่ม พระธรรมคาสอนที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ข้ามพ้นจากวัฏทุกขทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพราะแจกแจงพระธรรมรัตนะทั้งหลายเหล่านี้นะครับทีนี้พระองค์นั้นเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยนะครับพระองค์ก็แสดงงามในเบื้องต้นพระองค์ก็แสดงงามในท่ามกลางแล้วก็แสดงงามในที <Yes. S 1> Harlem, ่สุดนะครับถ้าหากว่าคาถาเดียวนะครับบาตรแรกก็งามในเบื้องต้นบาตรสุดท้ายก็งามในที่สุดนะครับ2บาตรท่ามกลางก็งามในท่ามกลางนะครับ หรือแม้กระทั่งพระสูที่มีอนุสนธิเดียวนะครับขึ้นต้นก็ ง, งามลงที่สุดก็ ง, งามท่ามกลางก็ ง, งามหรือบางทีก็ ง, งามเบื้องต้นด้วยศีนงามในท่ามกลางด้วยอริยมร์งามในที่สุดด้วยพระนิพพานเป็นต้นนะครับพระองค์ก็แสดงงามในลักษณะนี้แล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นประกาศศาสนพรหมจารย์คือศีนสมาธิปัญญาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหรือประกาศอริยมรรคพรหมจารย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับถ้อยคําที่ประกาศพรหมจาร์คือ ศีลสมาธิปัญญาหรือประกาศอารยมร์ก็สมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะนะครับไม่ต้องตัดออกไม่ต้องเพิ่มเข้าอะไรนะครับเหมาะสมบริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นะครับเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์จริงๆพราะพระองค์ผู้มีคุณสมบัติความสามารถอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์เ พ, ชนเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับเพื่ออนุเคราะห์โลกนะครับ เพื่อประโยชน์แก่โลกนะเพื่อเกื้อกูลแก่โลกนะครับอันนี้เป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์จริงๆนะครับคือพระอาตมาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบุคคลประเภทที่สองก็คือสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละเป็นพระอรหันตขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วมีประโยชน์ของตนอันมรลุแล้ว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 เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับคือพระองค์นั้นหมายถึงพผ้าทหารทั้งหลายนะครับอย่างเช่นที่พระสารีบุตรท่านทํางานนะครับก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราเทวสาร菩萨ทั้งหลายนะครับพระมหาโมคคลานะพระมหากสปะพระนนทพระนุรุทธะพระมหากัจยานะนะครับพระาทหารทั้งหลายเหล่านี้แม้กระทั่งพระาทหารในสมัยพุทธกาล หรือพระรหารภายหลังสมัยพุทธกาลมาแล้วนะครับในยุคสมัยพระโมคคัลลีบุตรติสะเถระเป็นต้นที่ส่งพระมหินเถระไปประกาศพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาหรือพระรหารทั้งหลายในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่กระจายขยายออกไปเผยแพร่สัจธรรมไปในตามสถานที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งพระรหารทั้งหลายนะครับที่มาทางสุวรรณภูมิเป็นต้นนะครับพระรหารทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับอันนี้ฮัลท่ารหารนี่นะครับพระารหา์ที่แสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นะครับพระารหัารเหล่านี้นี่นะครับชื่อว่าทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรพรพสัตว์จริงๆทีนี้ต่อไปอีกบุคคลประเภทที่สามคือพระสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละยังเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติอยู่นะครับคือเป็นพระเสขานะ มีภาพรปริยัติธรรมสดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดแม้ภาษาวกนั้นก็แสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศพรมาจรรมันพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยาญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลที่สนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลนะสามจำพวกคือใครนะครับหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระรหารสามพระเสขะนะครับพระเสขะนะครั บ, รบที่ที่เน้นไปที่ผู้แสดงธรรมนะครับผู้ที่สามารถประกาศธรรมนะเพราะฉะนั้นบุคคลสามจำพวกนี้แลเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระศาสดาแลผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกสาวกเกิดตามพระศาสดานั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วต่อมา พระสาวกอื่นอีกแม้ยังศึกษาปฏิบัติอยู่ได้สดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดบุคคลสามจำพวกเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์บุคคลสามจำพวกเหล่านั้นส่องแสงสว่างแสดงธรรมะอยู่ย่อมเปิดประตูแห่งอมตะนิพพานย่อมช่วยปลดเปลื้องชนเป็นอันมากจากโยคะคือเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในสังสารวัร ชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรที่พระศาสดาผู้นำพวกผู้ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระสุคตย่อมกระทาซึ่งที่สุดแห่งทุกในอัตภาพนี้โดยแท้นะครับผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างที่ว่าไป